ซีดีธรรมบัญญายชุดทรมีลำดับพุทธศกราช 2,551 โดยพระพรหมกุณาภรณ์ปออประยุตโตวัดยานเวศ ก, กวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม เรื่องที่29เรื่องบวชภิกษุณีก็พิจารณาไปแต่อย่าลืมใส่ใจ ย, ยกฐานะแม่ชีตอบคำถามด็อกเตอร์มาตินซีเกิลเมื่อวันที่สมกราคมพุทธศักราช2547 ก็อีกสองข้อนะฮะหนึง่งในพระวินัยไม่ได้บอกไว้ว่าภิกษุณีที่ทำพิธีอุปสมบทให้ผู้หญิงต้องเป็นภิกษุณีเทราวาทรล้วนเพราะว่าในสมัยพุทธกาลยังไม่ได้แตกแย ก, กเป็นนิกายหรือเป็นสาวกยานหรือกับมหายานใช่ไหมครับแล้วก็มีตามที่ อ, อ, อาจารย์จักสุมานบอกออสมมติว่าเป็นจริงที่มีหลักฐานว่ามีภิกษุณีจากศรีลังกาไปที่จีนเมื่อพุทธศตวรรษที่สิบ และสืบทอดสายอุปสมบทมาต่อเนื่องตจนกระทั่งปัจจุบันนี้อ mm. แล้วก็อาจารย์ตระกมุมบอกว่าอปฏิโมกเขาก็ศึกษา mm. แล้วก็บอกว่ามันตรงกันทุกข้อ mm. ยิ่งมหญญายานก็มีตามที่นิกายธรรมคุปและก็มหญญายานณ mm. ที่สืบทอดก็มี mm. ข้อมากกว่าด้วยซ้ําอำและพูดถามอคําถามที่ที่มีอยู่ที่มันขัดมันเป็น mm. เรื่องนาน า, นาสังวาสระเป๋า mm. หมายถึงว่าเขาที่เห็นถ้า สมมุติเขาจริงนะครับที่ซื้อท่ออะไรเนี้ยแล้วก็สมมุติว่าเออมันจริงที่ข้อทุกข้อมันตรงกันหมด อ, ะอ่ะหมายถึงว่าศีลมันตรงกันที่ท่านบอกว่าศีนสมัญญาตา อ, อก็น่าจะน่าจะขัดกับเรื่ที่ที่สมัญญาตาหรือเปล่าครับจะ เ, เป็นเป็นคนละเรื่องผมอันนี้ยังไม่เข้าใจนะครับเรื อ, รอนานาสังวาสนะครับคือคําถามของอาจารย์ท่านนั้นมันขัดตัวเอง ก็บอกว่าสมัยพุทธกาลไม่มีเทรวัตรมหา ย, ยานจะต้องมาจํากัดเทราวาตรยังไงแล้วจะไปถามตอนที่สองทำไมจะต้องไปรอภิกษุณีไปจากลังกาเลยใช่ไหมใชม่ก็ไม่ต้องคํานึงแล้วเรื่อ ง, เ, องเทรวัตรเพราะตอนแรกเขาบอกว่าในสมัยพุทธกาลไม่มีเทราวาตรมหายานใช่ไหมใช่เะนั้นภิกษุณีหมหา ย, ยานก็ได้อ่าแล้วจะไปต้องพูดถึงภิกษุณีลังกาไปไต้หวันทําไมไม่ต้องแล้วถ้าเอาตามคําถามตอนแรกใช่ไหมฮะ เาก็ภิกษุณีมหายานที่ไหนก็ได้สีเท่านั้นจะต้องไปถามตอนที่สองทำไมครับอ <c oughs> ตอนที่เขาถามตอนที่สองก็คือแสดงว่าเขายังคํานึงถึงการเป็นเทราวาทอยู่อีกถูกมไหมาต้องบอกว่ามีภิกษุณีอย์ยศสีลังกาไป น, นู่นอีกก็ถามอย่างนี้แสดงว่าไม่มีหลักที่มั่นคงทีนี้ก็ตอบเป็นขันๆคันที่หนึ่งก็คือว่าคำพระเทราวาทมหาญาณมันจะมีได้อย่างไงรล่ตะต่สมัยพุทธกาลคือเราก็มองอะไรตาเป็นจริง ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้ายังอยู่มีอะไรเกิดขึ้นพระองค์ก็วินิจฉัยแต่อย่างนั้นยังเกือบจะแตกเลยเพราะเทวทัศนตจะเกือบจะไปตั้งใหม่เลยใช่ไหมมันก็เกือบจะมีแต่มันมีไม่ได้มันก็ยุติไปแก้ปัญหาตกทีนี้มันก็เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นะเพราะว่าเมื่อพระสงฆ์นี้รักษาธรรมวินัยไว้อย่างนี้แล้วมีอีกกลุ่มหนึ่งไม่เอาด้วยก็มีแยกความเห็นแยก ขอ้อปฏิบัติไปมันก็ตาก่างออกไปมันเกิดเป็นนิการมันก็เป็นเรื่องของความเป็นจริงตามเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ก็แยกออกไปมันจะให้เป็นเหมือนพุทธการได้ยังไงแต่สิ่งที่เกิดแล้วมันก็เกิดแล้วแล้วเสร็จแล้วไอ้คาว่าเทราวาสมันคืออะไรเราไม่ต้องไปติดตัวถ้อยคํามันเป็นเพียงตัวถ้อยคําที่เรียกว่าไอ้ระบบเทรดิชันนนี้หรือการรักษาแบบแผนแบบนี้เรียกว่าเทราวาสก็เท่านั้นเองใช่ไหมมันเป็นเพียงคําสื่อความหมายทีนี้ แล้วความสื่อความหมายมันก็สื่อไปถึงตัวไอ้สภาวะความเป็นจริงซึ่งอย่างน้อยก็คือเหตุการณ์สถานการณ์ในประวัติศาสตร์ว่าสงสายนี้ก็คือถือหลักการนี้ยึดถือหลักปฏิบัติอย่างนี้อ้าวก็เป็นธรรมดาสิก็เมื่อเขาถือหลักการอย่างนี้เขาก็ต้องปฏิบัติตามหลักการของเขาเออแล้วคุณจะไห้ไปเขารับมหายานได้ยังไงอ่ะใช่ไหมเออมันอ้างมาเขาเรื่องอ่ะคือมันไม่เป็นความ มันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนะแต่เพื่อการอธิบายในพิธีในผลของผมผมเชื่อมโยงกับนานาสังวาสได้หรือเปล่านะครับที่ตามหลักของเทรวาสมันที่อรู้สึกว่าอาจารย์ทองย้อยกับพี่คนนึงรู้สึกว่าทองขาวเขียนหนังสือแล้วก็อธิบายแบบนี้ที่ว่าเอศีลอาจจะตรงแต่ที่หมายถึงว่าเป็นคนอนิกายอะไรเงนี้ยอาจจะไม่ตรงอะเพราะฉะนั้นเป็นนานาสังวาสผมจะมาว่าซับซ้อนกว่านั้น อันนั้นก็พูดกันง่ายๆไปมันซับซ้อนกว่า น, นั้นคือมันเรื่องมันเยอะเลย嘛คื อ, อนะมันเป็นเรื่องของว่าพออันนี้มาแล้วอันนู้นมันก็มาต่อคือเราต้องพูดหลายขั้นก็แปลว่าอาจารย์ท่านนี้ก็ยังติดใจเและเถรทอดอยู่เพราะยังต้องการว่าภิกษุณีประจักษ์ศีลกาอยากสืบต่ออยู่ใช่ไหมใช่เขาก็นน<笑>เห็นว่าเขาก็พยาพยามดิ้นรนอะพยายามก็นั่สิแต่ทีนี้ก็ ไอ้คำถามเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันมันต้องแยกต้องแยกให้ชัดบอกเอาขั้นที่หนึ่งว่ามันต้องไม่มีนิกายเลยเอ้าวอย่างนี้บอกสองถ้าเมื่อยังเอานิกายก็เทรวาตก็ยังมีไปโน่นต้องต้องว่าเป็นขั้นๆอย่างนั้นนะนี่มันปนกันเป็นหมดทีนี้ในแง่ของต่านิกายเถรวาตมหายาณเนี่ยอย่าไปติดชื่อสิต้องรู้ว่าชื่อศัพท์มันเป็นเพียงสื่อความหมายเป็นตัวแทนของระบบ อะไรต่างๆเนีเหตุการณ์หรืออะไรเงี้ยก็คือหมายความว่าสายเทดดิชันนี้เขาถือหลักการระเบียบข้อบังคับเขาอย่างนี้เขาก็เลยทําอย่างนี้ถ้าเขาไม่ทํานี้เขาก็ไม่เป็นเทเลวา่าชัวร์ไหมก็เท่านั้นเองอ่ะเอ่อถ้คุณจะไปรับเรื่อยเปื่อยไปไงแล้วก็จะจะเรียกก็เทเลวา่าได้ยังไงใช่ไหมค่ะเออแล้วก็ถ้ามหายานทําอย่างเทเลวา่าแล้วจะเป็นมหายานได้ไงก็ดีๆมันก็มีมหายานเทเว่าก็นรู้กันอยู่ก็ยังสามารถพูดได้พอต่างกันยังไง ก็ต้องรู้ตามเป็นจริงอะที่มันเป็นจะไปอ้างว่าสมัยพุทธกาลไม่เห็นมีเทรวัตรมหาญาติแล้วเดี๋ยวนี้มันมีแล้วนี่นะเออทําไมไม่อยู่เพรความเป็นจริงแต่ว่าถือว่ากันตามภาวะสังคมะถ้าเราพาอีฮอเทรวัตรในสังคมในราชอาณาจักรมันก็จะมีเรื่องของอาณาจักรเรื่องของกฎหมายเรื่องของการปกครองเนี่ยมาครอบคุมมามากระทบกับสถานภาพที่เขาจะได้ความเป็นแม่ชีอย่างเนี้นะ ตรงนั้นมันมันก็อาจจะมันเป็นเหตุผลได้ไหมว่าการพระย่อเสถาวรอะอย่างน้อยมันมีสถานภาพอันนึงที่เราสามารถที่จะเผยแผ่อะไรได้ประสิทธิภาพมากขึ้นอ๋ออันนั้นอีกประเด็นหนึ่งแหละอีกประเด็นอันนั้นคือหมายความว่าถ้ามีภิกษุณีสงฆ์ขึ้นแล้วจะมีประโยชน์ดีขึ้นไม้มในแะง่าการเผยแผ่เป็นต้นอันนั้นอีกประเด็นหนึ่งเลยนะต้องแยกไปเลยคือผมกำลมองว่ามันเป็นสถานภาพของเถรวาทถ้าเกิดในราชอาณาจักรอย่าง น, นี้น ที่คนยอมรับเทรว่านี้<ม>การพระอี่ห้ออย่างนี้เนี่ย ม, มันมมมมมก็นั่นสิคือคุณณรินทะร์ลังพูดถึงว่าถ้ามีภิกษุณีเทรวา่าขึ้นเนี่ยมันจะดีไหมจะเสริมสถานะภาพของเถรวา่าในการเผยแผ่เป็นต้นไหมอันนั้นเป็นเรื่องที่ว่าคนและคำถามแหละคือคําถามว่าถ้ามีแล้วจะดีช่วยสถานภาพหรือไม่โดยซ้ําคือผมผมมองให้เชิง ว, ว่าถ้าเป็นอาจารย์คนนี้ ก็ต้องเข้ามาพากที่้อนี้ก็ น, นั่นแหละมันการรวมอาที่ประเด็นว่าทำไมยังต้องมีเป็นวิการเพราะต่าอบไปถ้าสมมติว่าผมบอกว่าโอเคผมผมผมพูดมหาญาณแต่ผมจะสอนแบบเถราวาทเนี่ย ถ้าอย่างนั้นมันจะมาเดี๋ยวผมขอเร่องถ้าอย่างนี้จะจะได้ไหมทางเทเรล่าว่าจะยอมไหมว่าสมมติว่าผมข่าผมผมพูดมาจากมหายาณแต่ผมศรัทธาในเถรลาว่าแต่ในตัวศีลผมไม่สามารถเข้ามาในนี้ได้แต่ผมจะดึงคําสอมนมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะสืบทอดต่อลงไปเนี่ยโอ้อันนี้ใครไปห้ามไม่มีปัญหาหรอกก็แม้แต่คฤือหัดก็ยังสอนได้ใช่ไหมมหายานถ้าเลื่อมสนีท่ก็สอนไปดิแต่ทีนี้ท่านก็บอกตามตรง คือถ้าบอกถ้าตัวท่านในรูปแบบท่านเป็นมหายานแต่ว่าท่านเลื่อมสายคำสอนที่ก็สอนไปไม่มีปัญหาอันนี้ไม่มีปัญหาคือขณะนี้เรากำลังมีปัญหาในเรื่องของเรื่อง ก, การบวชเลยตัวการบวชนิการบวชนี่ไปอันว่าถ้าหากว่าเป็นมหายานก็ถ้าท่านถือว่ามหายานก็หม่เป็นอะไร ก, ก็เป็นมหายานเสรก็หมดเรื่องเดียไมก็เป็นอยู่แล้วก็เป็นมหายานก็ไม่มีปัญหาอะไร แล้วทำไมจะต้องมาดิ้นรนเป็นเทรวาสอีกขนาดนี้ก็เหมือนกับว่าจะดิ้นรนเป็นเทรวาสอีกแหละถ้าดิ้นรนไปทําไมครับบอกตัวเองบอกว่าไม่แบ่งแยกไม่สําคัญใช่ไหมคือไอ้คําถามอะไรต่างๆมันขัดกันเองเราก็พิจารณาไปตาม้ความเป็นจริงอะ่ะคือว่าเราก็ต้องมองในแง่ของเทรวาสว่าท่านเนี่ยมีเทดิชันมาอย่างนี้ท่านถือหลักการอย่างนี้อ่าท่านมีระบบบัญญัติการปฏิบัติอย่างนี้ แล้วก็ท่านมีมติของท่านมาอย่างนั้นท่านเป็นคนอยู่ในสายท่านไม่ใช่หมายความท่านต้องเอาตัวเองเป็นหลักครับท่านก็เอาคำหนึงถึงส่วนรวมของท่านใช่ไหมอันนี้ว่าท่านก็นึกว่าท่านจะรักษาเทรด์ชันเทรวาตไปได้ยังไงนี่มองโดยรวมก็คือท่านก็เห็นว่าเทรนด์ชันเทรวาตเนี่ยมันอาจจะมีจุดอ่อนอยู่แต่มันมีแง่ดีในการที่ว่ายังไงก็ตามก็ยังรักษาไหลักเดิมไปได้ดีที่สุด ถ้าก็เลยยังเห็นแง่นี้ก็เอาละเรายอมเสียสละให้ส่วนาบางอย่างไว้บ้างนะก็เพื่อรักษาอันนี้ไว้นี่แนกะหมายความพิจารณาในแง่ที่ไม่เห็นกันตัวเลยนะฮะและ้วทีนี้ครับกลายเป็นว่ามันก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาเหตุผลไหนแล้วเอาประโยชน์ส่วนไหนใช่ไหมฮะเราก็ไม่ต้องมาว่า ก, กันในแง่ของว่าคุณเป็นอย่างงั้นลําเอียงหรือไม่ลําเอียงเราไม่ต้องพูดเราพูดจะเพียงว่าหลักการของเถววัตเป็นอย่างนี้เราจะเอาด้วยไหม ถ้าเราไม่เอาเราก็บอกเราไม่เห็นด้วยกับหลักการเทลเลวาตหลักการเทเลวัตเขาคํานึงถึงประโยชน์ส่วนนี้เราเห็นว่าประโยชน์ส่วนนี้ควรสละเสียควรเอาประโยชน์ส่วนนี้มากกว่าอะไรเงี้ยนะฮะเราก็ไม่เอาด้วยเราก็บอกว่าเอออย่างงั้นฉันเป็นมหายานดีกว่าใช่ไหแล้วก็เป็นไปตามนั้นทั้ก็ไม่ว่าอะไรคืออธรมาว่าเป็นเรื่องของความตรงไปตรงมาด้วยเราก็ไม่หมุนมาคิดเอาแต่ตัวเป็นหลังแล้วก็ยังมีเรื่องต้องคิดหลายขั้น อย่างเรื่องที่วานมีภิกษุณีสีลังกาไปไต้หวันสืบต่อมาอา้าวท่านก็ยังไม่ได้ว่าอะไรนี่อาจจะเป็นเพราะตัวไปโวยวายก่อนก็ได้คือไปทําให้เกิดปัญหาเขาก็ยังไม่ได้บอกว่าเขาจะไม่เอาหรืออะไรก็เอามาแสดงเออบอกว่าข้าพเจ้าเดี๋ยวไปสืบทราบมาเนี่ยมีพระสงฆ์เทรวาจจากสีลังกาไปไต้หวัน สืบกันมาเอาก็แสดงประวัติให้ชัดมันต่อมากันยังไงมันยังมั่นคงดีอยู่หรือมันกลายหรื อ, อยังมันยังเป็นเถราวาดอยู่ไหมหรือยังฝากลายเป็นมหายาณไปแล้วไปอยู่ในถิ่นมหายานก็เลยกลายไปอะไรเงี้ยนะมันก็ไปข้อพิจารณาทางนั้นแล้วซึ่งฝ่ายที่เราเรียกว่าเถระวาดท่านก็ย่อมมีสิทธิที่ท่านจะพิจารณาเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านแล้วพระเถราวาดจํานวนมากก็ไม่ได้ปิดก็ยินดีที่จะรอรับฟังคุณ ว่าเออคุณก็เอาหลักฐานมาแสดงนะเราจะได้มีความมั่นใจด้วยกันมันก็จ ะ, จะได้สบายใจไม่ใช่ไปฝืนใจท่านว่าเออตัวฉันว่าอย่างเงี้ยคุณต้องเห็นด้วยเยหนึ่งแสดงข้อมูลให้ชัดเจนสองแล้วมาพิจารณาร่วมกันค่อยๆพูดค่อยจะก็คือท่านก็ไม่ได้ปิดแต่เป็นได้บางองค์ท่านจะปิดโดยอคติอะไรก็ตามฉันทาคติโทสาคติมัวพยาคติมันมีได้หลายอย่าง แต่ว่าท่านที่มองเป็นกลางๆและอีกอย่างหนึ่งบางท่านก็อาจจะปทะซะกอ่อนก็เลยเกิดความไม่ยอมรับหรือทําให้เกิดกติจาการที่ปทะนี้ถ้าเราค่อยๆพูกระจ่าก็ให้เขารู้เ ข, ข้าใจสิเ ข, ขาไม่ได้รู้เรื่องมาด้วยก็เ ข, า, ขาอยู่เฉยๆอยู่ๆแล้วคุณจะมาเอาแล้วคุณก็จะมาบอกคุณก็ต้องชี้แจงให้ท่านรู้ว่าเออเรื่องมันเป็นมาอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมอาตมาว่าหน้าที่ของท่านเหล่านั้นก็คือต้องให้ชัดว่า มีภิกษุณีเทราวาจจากศีลังกาเนี่ยได้เดินทางไปอยู่ได้ไต้หวันแล้วสืบต่อกันมาอย่างนี้อย่างงี้ให้ท่านมั่นใจแล้วจะมีข้อติดขัดกงไหนมาพิจารณาด้วยกันแต่มาว่าไม่น่ามีปัญหาแม้แต่มีปัญหาว่าเอออาจจะเป็นได้ว่าภิกษุณีเทราวาจที่สืบมาจากศีลังกามันกลายใช่แล้วมันไม่รักษาอย่างเดิมเช่นว่าตัวศิกขาบทมันอยู่ในคัมพี์แต่ว่าให้ใน การปฏิบัติเป็นอยู่มันในข้อสํคาคัญมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วยิ่งไปอยู่ในหมู่มหายานใช่ไหมแล้วมันก็จะมีปัญหาอีกเช่นว่าเอ๊พุทธุณีบวชในสงฆ์สองฝ่ายมันต้องมีพิกษุณีสงฆ์ที่สงฆ์ที่บวชในสงฆ์พิกษุณีเถระวาดสงฆ์พิกษุเป็นสงฆ์มหายานและทางนี้จะยอมรับได้ไหมอะไรเงี้ยนะฮะมันก็เป็นเรื่องพิจารณาทางนั้นแหละแต่ต้องยอมรับ คือว่าก็ยกมาให้พิจารณากันตามข้อมูลที่เป็นจริงเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแสดงไปแต่เราไม่ต้องมาเอาอารมณ์เราไม่ต้องเอาความต้องการของเรามาเรียกร้องเราก็บอกว่าวัตถุประสงค์เป็นอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมจากข้อมูลความเป็นจริงเหตุการณ์สถานการณ์ที่เป็นมันอย่างนี้ก็แสดงไปแล้วทีนี้ก็โยงมาที่คุณมาตินว่านะก็คือเรื่องทิฏฐิเรื่องทิฏฐิมันก็เป็นไปได้อีกท่านก็มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาว่า แนวคิดคำสอนเนี่ยมันจะเป็นอันตรายไหมที่จะถ้าหากว่ายอมรับเข้ามาแล้วมาเกิดปัญหาเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเกิดไปสอนเอานิกายสุขาวาดีว่าให้ให้อะไรนะให้สวดมนต์อ้อนวอนต่อพระมิตาพระเท่า น, นั้นทั้งนี้เนะี่ยแล้วมันก็เป็นปัญหาได้นะใช่มฮะแล้วท่านก็ต้องคิดเหมือนกันนะก็ต้องให้สิทธิท่านนะ่ะ ก็แต่มาก็มองว่านานาสังวาสมันก็เป็นตั้งแต่วินัยเลยไม่ต้องไปเป็นทิเตียเป็นศีลสามัญตาด้วยอีกครั้งนึงผมอาจจะเข้าใจผิดนะครับแต่ถ้าสมมุติสมมุติว่าที่อาจารย์จัตุมานกบิลสิงนั้นค้นพบนั้นเป็นจริงอ่ะหมายว่าเรื่องการสืบทอดและก็สายของเทราวาส์มันเข้าไปอาศัย มหายาณนะ เ, เพื่อ บ, บวชแล้วก็ที่บวชนั้น อ, อาจรารย์ธรรมะบอกว่าสามร้อยสิบเอ็ดข้อมีเป๊ะเลยอ่ะมีมากกว่านั้นศีลก็ตรง อ, ะอ่ะแต่ที่มีปัญหาก็คืออุปชาฝ่ายสงก็คือมหายาณใช่ไหมครับ อ, อ, อันนี้เป็นปัญหาใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นปัญหาได้มันเป็นตัวหนึ่งปัจจัยที่ต้องพิจารณาเลยเพราะว่าสงแม้แต่พระในเถราวาตเดีกันก็ยังแยกอุปสัมบทาวงเลยใช่ไหม แค่พระภิกษุเนี่ยไม่ต้องไปภิกษุณีแล้วหมาถว่าธรรมยุธกับมหานิกายใช่แล้วอย่างในลังกาก็มีทั้งสามนิกายเขาเปินไปได้ทีนี้ถ้าท่านถือเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มันก็มีปัญหาติดขัดอีกซึ่งเราก็ต้องมองไปว่ามันเป็นปัญหาติดขัดที่ส่วนไหนแง่ไหน ไ, ไม่ใช่พูดคลุมไปก็คือว่าก็ไปตามความเป็นจริงทำเรื่องตามเราแหละ แนวมีข้อมูลอะไรแง่ความจริงอะไรก็เอามาแสดงกันไปแต่มาไม่ค่อยมองเห็นเป็นปัญหาเคยพูดว่าตรงไปตรงมาตามที่มันเป็นพอดีก็ความจริงครับคแค่เนี้ยครั บ, อรบพอดีผมจะ<ช>ท่านอ่ารุตเตดีเม<อ><อ><อ>ทันโครูนะครับแล้วก็ท่านบอกว่าอา่าท่านคุยกับท่านเจ้คุณแล้วมาว่าอ่ า, อาท่านเจ้คุณเสนอคําภาวิกาอะไรเนี้ย จริงหรือเฝ้านะครับอ๋อคืออันนั้นนานแล้วนานแล้วคือว่าเรานะมีอันหนึ่งคือเรื่องความเป็นไปได้ในการบวชภิกษุณีหรือไม่ในเรื่องหนึ่งครับแต่เราอยากจะให้มีโอกาสแก่สตรีครนะทีนี้ว่าความเป็นไปได้มีทางใดบ้างเราก็มาช่วยกันคิดครัคือว่าเจตนาก็คือเพื่อให้โอกาสแก่สตรีนี้ว่า การบวชเป็นภิกษุณีในเทราวาตมันมีทางเป็นไปได้ไหมก็พิจนาถ้ามันเป็นไปไม่ได้มันมีทางอื่นไหมแต่ไอ้เรื่องภาววิกาเนี่ยอาตมาพูดมาตั้งแต่พวกแม่ชีแหละคือตั้งแต่ยังไม่พูดถึงภิกษุณีต้องสมัยก่อนแล้วคืออาตมาอยากให้ยกฐานนะแม่ชีเพราะแม่ชีในสังคมไทยเนี่ยตกต่ำแล้วก็ยุคสมัยหนึ่งกลายไปขอทานไปนะฮะ ไปนั่งตามข้างถนนมมีอะไรขันหรืออะไรวางสมัยนี้ก็เป็นใช่ไหมเออมีมีมยมเล่าเพราะว่าที่ศูนย์การค้าอะไรไม่รู้มีชาวต่างประเทศมามีแม่ชีเนี่ยไปขอทานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือบางยุคสมัยก็คนมีทัศนคติไม่ดีแต่แม่ชีในแง่เป็นคนอกหักอะไรต่ออะไรมาหมดทางไปอะไรเนี้ย ก็เลยว่าทำไงเราจะยกฐานะแม่ชีขึ้นมาให้มีการศึกษาดีรา้วพอมีการศึกษาดีแล้วนอกจากตัวแม่ชีเองจะดีก็ทำประโยชน์กับสังคมแล้วอาตมายังมองเห็นว่าแม่ชีเนี่ยมีโอกาสดีกับภิกษุเยอะในแง่ของการสังคมเพราะภิกษุเนี่ยติดขัดมาการเข้าสู่สังคมกับรื่ัทแม่ชีนี่เหมือนกับมาเป็นคนที่อีก อะไรนะเขาเรียกว่ามาปิดช่องโหว่ปิดช่องว่างอันเนี้ยที่จะไปบาเพ็ญประโยชน์แก่สังคมนําพุทธศาสนาเข้าสู่สังคมได้อีกระดับหนึ่งเลยคระทั้ง น, นั้นเราก็มาช่วยกันถ้ามองในแง่นี้ก็คือเสริมกําลังกันนี่ก็อยากให้แม่ชีเนี่ยมีฐานะดีขึ้นแล้วได้รับการศึกษาแล้วก็สามารถบําเพ็ญประโยชน์แล้วก็นึกถึงเรื่องชื่อเรื่องอะไรแต่ อ, อะไรไปด้วย คือที่เกี่ยวข้องมันมีหลายเรื่องอ่ะรวมทั้งเรื่องที่ว่าเขาบวชชีพราหมณ์เคยได้ยินไหมครับบวชชีพราหมณ์นี่ก็หาชื่อกันว่าควรจะเรียกยังไงไปเรียกชีพราหมณ์มันไม่เข้าเรื่องอ่ะอะมันเรื่องอะไรเป็นชีพราหมณ์สื่อความหมายมันก็ไม่ชัดคก็เป็นเพียงว่าเป็นผู้ไม่โกนผมอะไรเงี้ยก็เลยว่าน่าจะหาชื่อก็เลยคิดชื่อเนคคำพิกาบ้าง พาวิกาบ้างอะไรเงี้ยนะฮะทีนี้ถ้าว่าแม่ชีเราจะชื่อยังไงก็ตมาก็ไม่ได้ถือเป็นสําคัญมากถ้าเป็นจะเพียงว่าให้มีสถานะที่ดีแล้วก็มีการศึกษาแล้วก็สามารถทําประโยชน์อะไรต่ออะไรเนี่ยอันนี้จะดีแล้วก็เราก็ต้องหาทางว่าทำไงให้ภิกษุณีหรือว่าจะไม่ชื่อภิกษุณีเนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่มีชีวิตความเป็นอยู่แบบภิกษุ ที่ได้โอกาสความส ง, งัดแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าถ้าคิดอีกขั้นเนะ่ถ้าบวชเป็นภิกษุณีนี่เป็นไปได้ไหมจะมีข้อติดขัดมากกว่าอีกเพราะลองถือศีลสามร้อยสิบเอ็ดเนี่ยพอเป็นเทราวาสก็กลายเป็นต้องยอมรับศีลสามรอสิบเอ็ดอีกแ ล, แล้วจะมีปัญหาอีกหรือเปล่าพอเป็นชุมชนเป็นสังฆาขึ้นมา <c oughs> นะีแล้วกับการที่เรามีตั้งชุมชนใหม่ นะซึ่งเราก็ตั้งของเราเองเลยตอนนี้ได้ไหมแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปรักษาศีลเต็มอย่างนั้นค่ ะ, ะคือหมายความว่าคิดไว้หลายๆแบบแล้วก็มาช่วยกันเลือกแต่ว่าเจตนาจุดหมายก็คือว่าให้โอกาสสตรีคแต่ว่าส่วนว่าการจะออกในรูปไหนเนี่ยเรามาช่วยกันพิจารณาครับ ทั้งในแง่ความเป็นไปได้โดยธรรมวิทย์ในทั้งในแง่ของสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงในปัจจุบันครับท้งในแง่โอกาสประโยชน์ที่จะได้แล้วก็ถาม ก, กว้างๆอย่างนี้แล้วมาช่วยกันพิจารณาไม่ใช่ไปตั้งตายตัวไว้อันแล้วก็จะเอาอย่างไงได้เพราะส่วนตัวผมเห็นนะครับเทมันมีมูลค่าเพิ่มของมันนะจากประวัติศาสตร์แต่ละเรื่อ <c oughs> ผมว่าตรงนี้มันเป็นมูลค่าหมายถึงว่าการได้สารภาพที่พระมันมีอำนาจ การหนึ่งที่ผมพี่ว่ามันคือในแง่ของทัศนคติของคนเ่ยนะเพราะว่าคือการตั้งสถาบันใหม่เรื่เครดิตของยี่ห้อหนึ่งเนี่ยอมันมันมันจะมีผลอย่างนั้นมากกว่าไหมครับมอโอ้หมายความเขาจะเอายี่ห้อสถาบันใจม่เพาะการสาบันสาบันใหม่หรือว่าทุกอย่างต้องมาร์เก็ตติ้งกันใหม่หมดแต่ว่าแต่ว่านี่ก็อันนี้ก็ก็ต้องไปถามตัวท่านเลยแต่มันก็มีความเป็นไปได้อยู่ แต่ที่จริงเราก็จะไปติดอะไรมากคือมองกว้างๆนะแม้แต่ภิกษุสงฆ์เวลานี้ก็เสื่อมเยอะใช่ไหมแล้วเราก็มีปัญหากันเรื่องเรื่องสิกขาบทจะรักษากันไว้จะถอดหรือไม่ถอดเลยเนี่ยแค่นี้ก็เป็นปัญหาแล้วแล้วตั้งภิกษุณีสงฆ์มายิ่งมีปัญหาใหญ่เลย <c oughs> ถูกไหมฮ ะ, <c oughs> ะเรื่องเทรวาสเนี่ยถ้ากลับไปปัญหาเดิมเองก็กลับมาทําไมภิกษุณีสงฆ์จะกลับมารับปัญหาที่ภิกษุสงฆ์รับอยู่นี่ค่ะค่ะ คือมันควรจะพิจารณาหลายๆแง่แล้วมีทางเลือกให้มาเป็นตัวเลือกกันนะมีความเป็นไปได้ต่างๆเราก็ดูไหนเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนไหนจะเป็นประโยชน์เป็นผลดีมากกว่ากันเลยทั้งแก่ตัวบุคคลสังคมว่ามันมีลักษณะเป็นนามธรรมมากเนี่ยคือว่าเพราะผู้ถือไ้แต่วัตถาบันจริงเนี่ยว่าสีเกาวหรือเปล่าไม่คือมันก็มีความเป็นแยกนิกายในตัวมันเอง แต่ว่าในความเป็นเทรวาสเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามีนิยามของมันเองว่าการรักษาไอ้ว่าทค้าของพระเถระโ ล, าลมาเนี่ยก็ใช่ก็คือรักษาไว้คงเดิมให้พุทธศาสนาเนี่ยทั้งรูปแบบทั้งเนื้อหาเนี่ยมันคงเดิมที่สุดแล้วก็้การรักษารูปแบบก็คือการเอาเป็นที่รองรับของเนื้อหาใช่ไหมก็พยายามรักษาเนื้อหาไว้ด้วยการรักษารูปแบบนั่นเอง นั้นก็คือมันเป็นป น, นามารรมในเรื่องของนิยามของมันเองแล้วถ้าเกิดใครเดินตามจุดนี้ได้มันก็คือในแง่คําสอนมันก็หลบท่อลงไปไม่สิก็รูปแบบเนี่ยมันของต้องสืบต่อนี่รูปแบบมันไม่ใช่มีขึ้นมาเองเนี่ยก็คือรูปแบบมันก็เกิดจากสมมติใช่ไหมก็มติร่วมกันมติร่วมกันก็ใครเป็นผู้เริ่มสมมติมตินันนี้พระพุทธเจ้าก็เลยต้องถือว่าสืบต่อมาจากสังฆะที่พระพุทธเจ้าตั้ง แล้วการที่จะสืบต่อเป็นยังไงก็มีระบบอุปชามีอะไรตั้งเนี้ยมามันก็เลยกลายไปว่าต้องเป็นสายมานี่ไอ้ส่วนประแตกแยกเป็นนิกายเล็กน้อยของเถรวาทเนี่ยก็คือแม้แต่เรื่องยุ้มยิ้มก็ยังไปแยกกันเลยใช่ไหมเกิดเป็นนิกายใหม่แค่การบวชเลยนิดหน่อยแต่ทีนี้ถ้ามองอีกอย่างหนึ่งก็มองไปอีกพลิกอีกด้านหนึ่งก็กลายไปว่า เนี่ยขนาดที่พยายามรักษาไว้อย่างนี้ก็ยังแตกได้เลยถ้าหากไม่ยพยายามรักษาจะแตกแค่ไหนใช่ไหมฮะคือเรื่องของมนุษย์อ่ะเราก็ต้องเข้าใจมนุษย์ตามเป็นจริงก็เป็นอย่างเงี้ยเจวดีสมบูรณ์มันดีไม่ได้คล้ายๆว่าบางทีก็ต้องมาเลือกเอาว่าได้ประโยชน์มากประโยชน์น้อยส่วนดีมากส่วนเสียน้อยเสียน้อยเสียมากอะไรเนี่ยนะฮะค่ะก็ได้แค่เนี้ยเรื่องของมนุษย์แล้วตอนนี้ก็คือพระพุทธเจ้า ก, ก็ไม่อยู่แล้ว ขอโทษผมนักวิชาการชอบชอบเทอมนะฮะผมก็คอยถามอีกทีเรื่องนานาสังวาสมันถ้าเป็นอุปชาของเขาของมหายานนะครับอันนี้มันมันตัดสินยังไงอ่ะของสายตาเทราวาอะมันเป็นนานาสังวาตหรือไม่เป็นนะเป็นในฐานะเป็นก็ทางวินัยก็เป็นอยู่แล้วซีนซีนละ ส, สมัญญาตาใช่ไหมก็เสียนะแล้ ว, ลวเพราะว่าก็กลายเป็นมหายาณไปก็ไม่รู้ว่าบวชมายังไง รักษาศีลวินัยมาอย่างไงก็คนละสายไปแล้วนะและอันนี้บอกไว้ตรงไหนนะฮะที่ที่ที่<น>ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี้นีหมายหมายถึงว่าการอุปสมบทนะฮะอ๋อก็คือหมายความการอุปสมบทก็ต้องมาตามระบบตามวินัยของเถราวาดใช่มหมคระ ท, ที่รักษามีอุปชามีสงเป็นผู้บวชมีสีมาสมบัติมีอะไรต่างต่าเหล่านี้ มีไอ้พวกความครบถ้วนสมบูรณ์ในทางตัวสงที่บวชตัวบุคคลที่บวชแล้วก็ตัวศีมาเขตสงแล้วก็ตัวการกรรมวจจาในการมสมบทอะไรเนี้ยอันนี้ก็คือตัวตัวคุณสมบัติที่ต้องมีนี่พอไปเป็นอย่างมหายาณเนะี่ยกรรมวจจาแล้วก็ไม่เอาและ้ะ ละโมจาก็ไม่ได้ใช้อย่างนี้แหละเพราะเป็นคนละภาษาหรือเป็นคนละคนละภาษาด้วยเราเนื้อความก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาใช้อย่างไรเราก็ต้องไปตรวจแต่ถ้าเป็นคนละภาษาก็หมดสิทธิ์แล้วหรือแบบคนละภาษาอันนี้ก็ก็อาจจะต้องมาพิจารณากันแต่ว่าถ้าเป็นเทรวาสที่เคร่งก็จะไม่ยอมรับถ้าผมบวชเอ่อในภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ใช่ไหมครับหรือแบบก็มีหวังที่เทรวาสจะอย่างน้อยจํานวนหนึ่งจะไม่ยอมรับและท่านเจ้าคุณนะครับ อาตมาก็อยู่ที่สงแล้วเพราะว่าสงเป็นใหญ่ในเรื่องนี้ <c oughs> แต่ว่าอย่าลืมว่าความจริงของเราเองในเมืองไทยก็เสื่อมไปมากแล้วนะ <c oughs> เสื่อมมากแล้วคือว่าแม้แต่สวดบาลีก็สวดไปอย่างั้นเองไม่รู้เรื่องมันกลายเป็นรักษารูปแบบไป <c oughs> แต่ว่าเราก็ต้องเห็นคุณค่าของรูปแบบตราบใดที่รูปแบบยังอยู่เนี่ยโอกาสที่จะฟื้นเนื้อมันง่ายกว่าใช่ม <c oughs> <c oughs> ถ้ารูปแบบมันหายในต่อไปมันก็ค่อยๆกลายนี้ทําไมเถราวาสมาเคร่งขัดกับเรื่องรูปแบบทั้งๆที่ไม่ได้ถือเป็นสำคัญ <Okay. S 1> เรืสมมติก็เพราะว่าเราคํานึงถึงว่าไอ้สมมติหรือรูปแบบมันมีขึ้น เ, นเพื่ออะไรก็เพื่อรักษาเนื้อหาทีนี้ว่าในเมื่อมันกลายแล้วไม่รักษารูปแบบต่อไปมันก็เพี้ยนไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้จักจบทีนี้ในงานการรักษารูปแบบเนี่ยมันก็ต้องมีข้อยุติมีกติกา คือระบบของสมมติเนี่ยมันอาศัยกติกามันก็เลยต้องอาศัยเกณฑ์นี่คนที่ไปเคร่งคัดตามเกณฑ์เนี่ยก็อาจจะถูกหาว่าใจแคบไปค่ะแต่มองแง่หนึ่งก็คือเขาพยายามรักษาไว้ค่ะถ้ามองในแง่ปัญญาก็บอกอ่าเพราะว่าทำไมรักษารูปแบบเคร่งคัดมันก็กลใช่ไหมเขาก็เห็นแก่ส่วนรวมเพื่อรักษาอันนี้ไว้ระยะยาวแล้วเท่าที่มองเห็นว่าเพราะการรักษารูปแบบอย่างเงี้ยมันจึงอยู่ได้แค่นี้ทางานมันก็ไปหมดแล้ว แล้วเขาก็มีเหตุผลของเขาแล้วก็ฟังเขาสิแล้วก็ยอมรับเขาว่าเอาเขามีเหตุผลนี้แล้วเขารักษารูปแบบอย่างนี้เราเอาด้วยไหมเอาด้วยก็เข้าไปไม่เอาแล้วก็ไม่เอาคก็จบใช่ไะทีนี้ว่ามันยังมีไอ้คาถามระยะยาวอี ก, กต่อมาว่าอย่างเรื่องวินัยที่เทราวาณเมื่อรักษาอย่างนี้นะมันก็จะเป็นข้อจํากัดตัวเองถูกไหมฮะคทําให้ทําอะไรได้จากัดเนี อย่างเดินทางไปตามประเทศไปเผยแพร่สั่งสอนก็ก็ลาบากตัวเองอ่ะเนะีคือมองในแง่หนึ่งก็เหมือนกับใจแคบแต่มองแง่หนึ่งก็คือใจกว้างเพราะว่าต้องสละตัวเองเพื่อรักษาแบบแผนอันนี้ไว้เนซึ่งมีเหตุผลของมันอีกอันหนึ่งอันนี้เราจะทำยังไงเนี่ยมันก็มีทางที่จะพิจารณาเยอะเอาตมาว่ามีเรื่องนี้ต้องพูดกันยาว <Okay. S 1> ใช่ว่าอาจจะต้องมีการกันกรองว่า ผู้ที่จะเป็นพระภิกษุในเทววาทสมบูรณ์เนี่ยเราไม่ต้องการมีจำนวนมากแล้วก็มีกลุ่มอีกชุดหนึ่งอีกระดับหนึ่งเนี่ยมาทำหน้าที่ในการเผยแผ่หรือเข้าสู่สังคมอะไรอย่างนี้และเราก็ต้องพิจารณาว่าแงด่ดีมีแง่อันนี้มีแงด่ดีแง่เสียยังไงจุดอ่อนจุดแข็งยังไงโอ้ไม่เรื่องเรืองพิจารณาเยอะแย ะ, ยะ คิดว่าท่านเหล่านั้นไปเอาความต้องการของตัวเองตั้งแล้วก็เลยคิดไปในแง่เดียวอ่ะอาจจะเป็นอย่างนั้นหรืออย่างน้อยก็อาจจะมองโดยไม่ได้พิจารณาองค์ประกอบปัจจัยต่งตางๆให้เพียงพอครับครับ